แล้วจะมีอะไรหนักหนาไหมมีปัญหาไหมฮะหลวงพ่อก็ฟังฟังได้หลายด้านลหลายมุมลหลายคนเนี่เป็นศิทธญานุสิ์แล้วก็ได้จะได้ประมวลประเมินเข้ามาแล้วก็จะทํำยังไงจะเข้าไปช่วยพี่พี่พี่ชายของเราอย่างไงหรือว่าตามอัธยาศัยของท่านอะ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 เราก็ปฏิบัติตามอีกมันก็ไม่ได้เพื่ออะไรเพราะ เ, เราทุกผู้เป็นริวร้อเนี่ยต้องคิด อ, อ, อย่างองค์หลวงตาก็เหมือนกันไปที่สิริราชท่านวัดไปไปไปไปไปพวกลูกศิษย์ลูกหากาะทไม่จริงก็ไม่น่าจะว่าท่านลงกลางกลางคืนนะอยู่ที่สิริราชเอาท่านลงมาเถอเอาลงมาพยาบาลวิ่งกลูปิดถนน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 เป็นผู้มีฮิลิโอตตปะเป็นพระอยู่ในศินในธรรมไม่ใช่ไม่เป็นพระอารัจชีอารัจชีแปลว่าเป็นผู้ไม่มียางอายไม่มีฮิลิโอตตปะต่อหลักพระธรรมวินัยอันนั้นแปลว่าเป็นผู้พระไม่มีฮิลิโอตตปะไม่มีความละอายต่อบาปอยู่นัจสถานที่ใดไม่ดีทั้งนั้นแหละอยู่ใกล้ใครเขาไม่ดี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 ของหลักพระธรรมวินัยถ้าอยู่คนเดียวก็อยู่ในลกหลักพระธรรมวินัยให้ถือเสมือนว่าถ้าเราอยู่หลายองค์จับไฟร้อนไหมถ้าอยู่คนเดียวเลยจับไฟร้อนไหมมันร้อนเลยทั้งสองอย่างเพราะอะเพราะมันเป็นไฟนี้ก็เหมือนกันบาปอากุศโก็เหมือนกันถ้าเราทำลายหลายคนมานชั่วมันก็ชั่วเหมือนกับจับไฟหลายคนจับไฟก็รายร้อนมันก็ร้อนอ่อ จับคุณเดืยวร้อนไหมร้อนเพราะอะไรเพราะมันเป็นไฟนี่ก็เหมือนกันความชั่วเหมือนกับไฟความดีทั้งหลายเหมือนกับ น, น้ำแข็งออยู่ในความร่มเย็นผาสุขถ้าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเพราะนั้นให้พวกเราเชื่อในกรรมกรรมคือการกระทำทำกรรมดีแล้วจะชั่วได้ยังไงจะเดือดร้อนได้ยังไงถ้าทาความชั่วแล้วจะดีได้ยังไงจะเป็นสุขได้อย่างไร